ปัญญาพระปัจเจกไม่กว้างขวางเท่าพระพุทธเจ้าความเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยการตรัสรู้ของท่านสติปัญญาของท่านไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็สอนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอะไรพวกหมูน่นี้เล็กๆน้อยๆท่านสอนอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการให้พรมากกว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้า เข้าฌานสมาบัติ7วันหวันเพิ่งออกจากฌานสมาบัติแล้วไปโปรดใครผู้นั้นเห็นผลในปัจจุบันแล้วทำไมจึงเห็นผลในปัจจุบันเพราะผู้ที่ท่านจะโปรดท่านรู้อยู่แล้วถ้าโปรดแล้วจะได้สำเร็จผลในปัจจุบันไม่ใช่ว่าท่านจะไปเที่ยวโปรดสม 4, สุมห้าจะสำเร็จหมดไม่ใช่อย่างนั้นท่านรู้แล้วท่านจึงไปโปรด ท่านอาจารย์หลวงปู่เสามีก็เป็นสาวกแบบชนิดที่ว่าเป็นพระปัจเจกท่านสอนธรรมะเนี่ยท่านไม่พูดมากท่านชี้ว่าทำอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าการปฏิบัติของท่านเนี่ยท่านเอาการปฏิบัติแทนคำสอนด้วยปากผู้ที่ไปอยู่ในสำนักท่านก่อนอื่นท่านจะฝึกสอนให้จำวัดสี่ทุ่มตื่นตีสามข้อแรกนี้ต้องทาให้ได้บางทีก็ลองลอ ง, ลองเรียนถามท่าน ทำไม ห, หลวงปู่จึงสอนอย่างนั้นการนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาฉันเป็นเวลาอาบน้ำเข้าห้องน้ำห้องส้วมเป็นเวลามันเป็นอุบายสร้างพลังจิตและทำให้เรามีสัจจกความจริงใจแต่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้แม้แต่พวกนักส ก, กัดจิตเขาก็ต้องยึดหลักอันนี้นอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลากินเป็นเวลา เข้าห้องน้ำห้องส้วมเป็นเวลาอาบน้ำเป็นเวลา